กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิทยุกรับกรอกาวสจร f อฟเอกข้าพเจ้าพระมหาภัยบรณอาภีปุณโนเมื่อวานนี้เราได้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของนางวิสาขาท่านผู้ฟังที่นางนั้นเป็นชาวเมืองจริงๆเดิมทีแล้วพ่อปู่อยู่ที่เมืองพัทยานครถูก พระเจ้าโกศลขอให้มาอยู่เมืองสาวัตถีแต่ยังไม่ทันไปถึงเมืองสาวัตถีก่อนที่จะถึงเมืองสาวัตถีเนี่ยก็ได้สร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองสาเกตอันนี้คือพ่อของนางเป็นคนทำพ่อของนางนี้ชื่อว่าทนนันชัยเศรษฐีนางวิสาขานี่ก็มีความงามอยู่ห้าอย่างคือมีผมงามมีเนื้องามมีฟันงาม มีผิวงามแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็ได้ฟังถึงตอนที่ว่านางวิสาการนั้นพอเจริญวัยได้ถึงระดับหนึ่งก็แต่งงานลักษณะก า, ารแต่งงานที่นางไปสิ่งของเข้าของอะไรที่บิดาจัดแจงไปให้นั้นก็มีมากมายหลายอย่างหนึ่งในอย่างนั้นที่เราได้พูดกันไปเมื่อวานนี้คือเรื่องของคอเครื่องประดับที่ชื่อว่า มหาลดาประสาทที่ใช้เวลาในการทำเนี่ยตั้ง4ี่เดือนแต่มีทั้งเพชรแก้มุกดาแก้วประปานแก้วมณีสูงตั้งแต่ผมจนถึงจรดปลายเท้าแตะมีความยาวมีห่วงคล้องกันไปมีตัวนกยูงอะไรต่างๆนี่คือเหมือนกับว่าเป็นของกำนันที่พ่อจะส่งลูกไปเป็นลูกสะภ้าเนี่ยก็ฝากไปด้วย เรื่องประดับมหาลตาประสาทนี้ในที่อธิบายไว้เขาก็บอกว่าเป็นผลของกรรมที่นางวิสาข า, าเนี่ยได้เคยถวายจีวรไว้กับพระภิกษุสงฆ์นั่นคือหมายถึงพระพุทธเจ้านั่นละแต่สำหรับสุภาพสตรีที่ถวายจีวรในพระพุทธเจ้าแล้วผลบุญที่จะได้สูงสุดก็คือเครื่องประดับประเภทนี้ซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีอยู่สามคนต้นหนึ่งที่ได้ มีเรื่องประดับประเภทนี้ส่วนถ้าเป็นสุภาพบุรุษได้ถวายจีวรสูงสุดที่จะได้เลยอันเป็นบนของบุญนั้นก็คือจีวรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์ในตอนที่ตัวเองจะได้บวชอันนี้มีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายที่ถวายจีวรในพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่แค่เครื่องประดับนี้เท่านั้นยังมีทั้งเงินทั้งทองทั้งภาชนะทั้งของกินของใช้ เนยใสน้ำมันน้ำอ้อยแป้งข้าวสาลีพวกนี้เด้มไปหมดโดยความที่คิดว่าลูกของฉันไปอยู่ในตระกูลของสามีแล้วจะได้ไม่ต้องไปขออะไรใครทุกอย่างมีก็ต้องการให้ไปหมดและรวมถึงแม่โคด้วยแต่แม่โคนมนี่ก็มากเหลือเกินที่ส่งไปพร้อมกันแล้วก็คืนก่อนที่จะเดินทางเพราะธนชัยเศรษฐีที่เป็นบิดาของนางวิสาการนี่ก็ให้โอวาทไว้10ข้อ กับนาวิสาขาก็คือว่าไฟในอย่าให้นำออกไฟนอกอย่านำเข้าพึงให้กับคนที่ให้เท่านั้นไม่พึงให้กับคนที่ไม่ให้พึงให้กับคนทั้งที่ให้และไม่ให้พึงนั่งให้เป็นสุขพึงบริโภคให้เป็นสุขพึงนอนให้เป็นสุขพึงบำเรอไฟแล้วก็พึงนอบน้มเทวดาในภายในพร้อมกันนั้นก็ยังได้มอบกุกุมพี ก็คือข้าราชการที่มีความรู้พอสมควรนี่แหละไปอีก8คนเป็นผู้ที่จะถ้ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็จะชำระความกันนะว่าเป็นอย่างไรส่วนชนผู้คนลูกส ม, มุนบริวารที่จะตามไปกับนางวิสาขานี่ก็มีมากเหลือเกินมากจนถึงขนาดว่าต้องไล่ ก, กลับเพราะว่าพ่อผัวที่ไปด้วยเนี่ยก็คิดว่าจะเลี้ยงดูไม่ไหวแต่บางส่วนก็ให้กลับบางส่วนก็ให้ไป ทนเรื่องราวที่ว่ากันนี้น่ะว่าได้มอบโอว่าสิบข้อได้มีกุุมพีที่จะคอยชําระความไปด้วยทั้งหมด8ปดคนวันนี้เราจะมาฟังถึงตอนที่เมื่อนางวิสาขาเนี่ยไปอยู่ในบ้านของสามีละน่ะว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรมีเรื่องราวเป็นอย่างไรมีคดีความอย่างไรอย่างไรน่ะจะชําระความกันอย่างไรอย่างไรแล้ถึงตอนที่นางวิสาขากํากลังจะเข้าสู่ประตูเมืองสาวัตถี เรามาฟังเรื่องราวของนางวิสาขาของความเลิอดหรูออลังการในพิธีงานแต่งงานของเขาตอนนางวิสาขาถึงกรุงสาวัตถีครั้นเวลาถึงประตูและวก่อนสาวัตถีนางวิสาขากิดว่าเราจะนั่งในยานที่ปกปิดเข้าไปหรือหนอหรือจะยืนบนรถเข้าไปที่นั้น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 ชื่อวิสาขาสมบัติเห็นปานนี้จึงสมควรแก่นางแท้วิสาขานั้นเข้าไปสู่รื่นของเศรษฐีด้วยสมบัติเป็นนันมากด้วยบริการชนีก็ในวันที่นางมาถึงชาวนครทั้งสิน้นได้ทรงบรรณาการไปตามกําลังด้วยคิดว่าธนชัยเศรษฐีได้ทำสักการะมากมายแก่พวกเรา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 น้องชายของฉันจงให้สิ่งนี้แก่พี่สาวน้องสาวของฉันนั่นนี้แล้วก็ได้ส่งบรรณาการไปได้ทำชาวนกรทั้งหมดให้เป็นเหมือนพวกญาติด้วยประการชนี้ต่อมาในระหว่างตอนกลางคืนนางลาตัวเป็นแม่ม้าอาชาในของนางได้ตกลูกนางให้พวกทาสี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 จึงส่งข่าวแก่นางวิสาขาว่าสบายของฉันจงมาไหว้พระอรหันต์ทั้งหลายนางเป็นอริยสาวิกาผู้โสดาบันพอได้ยินคำว่าอารหันต์ก็เป็นผู้ร่าเริงยินดีมาสู่ที่บริโภคแห่งอเจลกะเหล่านั้นแลดูอเจลกะเหล่านั้นแล้วคิดว่าผู้เว้นจากฮิริโอตตะเห็นป่านนี้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 ท่านทาลายพึงนิ่งเสเถิดจึงส่งเจรกะเหล่านั้นไปแล้วนั่งบนอาสนะมีค่ามากบริโภคข้าวมัตุ ป, ปายาตมีน้ำน้อยในถาดทองําในสมัยนั้นพระเถระผู้ถือการเที่ยวบินดาบาเป็นวัดรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบินดาบาได้เข้าไปสู่เรือนหลังนั้นแล้วนวิสาขา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 พ่อผัวว่าบริโภคของเก่านวิสาขาหรู้ว่าพ่อผัวของเราแม่เห็นพระเตระก็ไม่เอาใจใส่ดังนนี้แล้วจึงกล่าวว่านิมนต์พระกุณฑาไปข้างหน้าเถิดพ่อผัวของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าเศรษฐีนั้นแม้อดกลั่นได้ในเวลาที่พวกนิกรนบอก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 ธรรดาธิดาของมารดาบิดาผู้ยังมีชีวิตอยู่จะไม่ออกไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุ น, นั้นแลในเวลาจะมาที่นี้คุณพ่อของทิฉันจึงให้เรียกกุ ก, กุมพีแปดคนมาโลดพูดว่าถ้ามีโทษเกิดขึ้นแก่ธิดาก็มอบดิฉันไว้ในมือของกุ ก, กุมพีเหล่านั้นคุณพ่อจงให้เรียกท่านเหล่านั้นมาแล้วให้ชำระโทษของทิฉันเถิด มิฆรัตเศตินั้นคิดว่านางวิสาการนี้ผูดดีจึงให้เรียกกุกุมพีทั้ง8ดคนมาแล้วบอกว่านางธ า, าริกานี้ว่าฉันผู้นั่งรับประทานข้าวประยา่ามีน้ำข้นในถาทองคําในงานมงคลว่าผู้กินของไม่สะอาดพวกท่านยกโทษนางวิสาการนี้ขึ้นแล้วจงขานางนี้ออกจากเรือนนี้กุกุมพี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 บริโภคแต่บุญเก่าวเท่านั้นจึงได้พูดว่านิมนต์ไปข้างหน้าเถ๋อเจ้าข้าพ่อผัวก่อนที่ฉันกําลังบริโภคของเก่าวโทษอะไรของที่ฉันจะมีในพระเหตุนี้เล่ากุกุมพีท่านชัยตีโทษในพระเหตุนี้ไม่ได้มีทิดาของข้าพเจ้ากล่าวชอบเหตุไรท่านจึงโกรธมิกราเศรษฐีท่านทั้งหลาย โทษอันนี้เป็นอันพ้นไปก่อนแต่วันหนึ่งในมัชชิมยามนางวิสาขานี้อันคนใช้ชายหญิงแวดล้อมแล้วได้ไปหลังเรือนกุกุมบีทั้งหลายจึงกล่าวว่าแม่นางวิสาขาทราบบ้าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นหรือนางวิสาขาขอทั้งหลายดิฉันไม่ได้ไปเพราะเหตุอื่นก็เมื่อนางลา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 พูดยกโทษอย่างนี้ของท่านทั้งหลายเพราะขึ้นชื่อว่าไฟเช่นกับไฟนั่นย่อมไม่มีนาวิสาขาได้ผลโทษเพราะเหตุนี้อย่างนี้ก็นางพ้นโทษในเพราะเหตุนี้ฉันใดแม้ในคำที่เหลือนางก็ได้พ้นโทษฉะ น, นั้นเหมือนกันก็ในโอวาทเหล่านั้นพึงทราบคําอธิบายอย่างนี้ว่า ก็คำที่บิดาสอนนางว่าเจ้าควรให้แก่ชนทั้งหลายที่ให้เท่านั้นเจตีหมายเอาถึงเนื้อความนี้ว่าควรให้แก่คนที่ถือเครื่องอุปกรณ์ที่ยืมไปแล้วส่งคืนเท่านั้นแม้คําว่าไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้นี้เจตีหมายความว่าไม่ควรให้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 ส่วนมิกราเศรษฐีได้ฟังเนื้อความแห่งโอว่าสิบข้อนี้อย่างนั้นแล้วไม่เห็นขาโต้เถียงได้นั่งก้มหน้าแล้วครนั้นกุคุมพีทั้งหลายถามมิกราเศรษฐีนั้นว่าท่านเศรษฐีโทษแม้อย่างอื่นแห่งทิดาของพวกข้าพเจ้ายังมีอยู่อีกหรือมิกราเศรษฐีไม่มีแล้วท่านกุกุมพี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 เป็นอยู่ไม่ได้หากดิฉันได้เพื่อบำรุงพิสุสงฆ์ตามความพอใจของดิฉันดิฉันจึงจะอยู่มิกระเศษธีแม่เจ้าจงบำรุงพวกสมณักของเจ้าตามความพอใจเธอหนาวิสาขาจึงได้ให้คนไปทูลนิมนต์พระทศพลแล้วเชิญเสด็จให้เข้าไปสู่นิเวศในวันรุ่งขึ้น ฝ่ายพวกสมณนับเปลือยได้ยินว่าพระาศาสดาเสด็จไปยังเรือนของมิคราเศรษฐีจึงไปนั่งล้อมเรือนไว้ในวิสาขาถวายนา้ำทักษีโนโทกแล้วส่งข่าวไปว่าดิฉันตกแต่งเครื่องสักการะทั้งปวงไว้แล้วเชิญพ่อปัวของดิฉันมาอังฆ่าพระทศมนเดิดครั้งนั้นพวกอาชีวะกะห้ามมิคราเศรษฐี ผู้อยากจะมาอยู่ว่าครับดีท่านอย่าไปสู่สำนักของพระสมณโคดมเลยเศรษฐีจึงส่งข่าวไปว่าสไบของฉันจงอังคาดเองเถิดนางวิสาขาจึงอังคาดเกือถวายของในพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อเสร็จภารกิจแล้วจึงได้ส่งข่าวไปอีกว่าเชิญพ่อผัวของที่ฉัน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 ทรงบริจาคอรสเช่นกับพระชาลีทิดาเช่นกับนางกันหาชินาประชาบดีเช่นกับนางมัดสีให้แล้วเพื่อเป็นทาตของผู้อื่นตอนนางวิสาขาได้นามว่ามิกรามารดาฝ่ายมิกราเศรษฐีเมื่อพระตถาคตทรงเปลี่ยนแปลงยักย้ายธรรมเทศนาอยู่นั่งอยู่ภายนอกม่านนั่นเอง ชงตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิผลอันประดับด้วยพันในประกอบด้วยอาจฉระศรัทธาเป็นผู้หมดสงสัยในรัตนสามยกชายม่านขึ้นแล้วมาเอาปากอมถันหญิงสะใพตั้งนางไวในตำแหน่งมารดาด้วยคำว่าเจ้าชงเป็นมารดาของฉันตั้งแต่วันนี้ไปจำเดิมแต่วันนั้นนางวิสาขาจึงไายชื่อว่า มิคารมาดาแล้วหายหลังได้บุตรชายจึงได้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่ามิคาระมหาเศรษฐีปล่อยทันของหญิงสบาแล้วไปหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้านวดฟันพระบาทด้วยมือและจุมพิษด้วยปากและประกาศชื่อสามครั้งว่าข้าพระองค์ชื่อมิคาระพระเจ้าข้า น, นีแล้วเป็นต้นกราบถูลว่า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 มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันโดยความกรบแล้วให้นางวิสาขาอาบน้ำด้วยหม้อน้ำหอมส6บหกหม้อให้ยืนถ่ายบังคมพระาศาสดาในที่เฉพาะประปรักของพระาศาสดาแล้วพระาศาสดาทรงทำอนุโมทนาแล้วเสด็จไปสู่วิหารตามเดิมจำเดิมแต่การนั้นแม่นางวิสาขาทำบุญ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 ชนผู้เห็นนางเดินไปอยู่ย่อมคิดว่าบัดนี้ขอจงเดินไปหน่อยเถิดแม่เจ้าของเราเดินไปอยู่เทีย่ยวย่อมงามชนที่เห็นนางยืนนั่งและนอนก็ย่อมคิดว่าบัดนี้จงนอนหน่อยเถิดแม่เจ้าของเรานอนแล้วแลย่อมงามนางได้เป็นผู้ใครๆพูดไม่ได้ว่าในอริยบททั้งสนางย่อมไม่งาม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 มหาชนให้สาธุการนางพร้อมกับบริวารได้กลับเรือนโดยสวัสดีและนี่คือเรื่องของนางวิสาการในตอนที่สองท่านผู้ฟังที่ได้กล่าวถึงการที่ไปอยู่ในสกุลของสามีแล้วมีเรื่องราวเกิดขึ้นละ่ะมีคดีความไม่เข้าใจกันก็ได้ทําความเข้าใจกันละสุดท้ายพ่อของสามีเนี่ยยกย่องนางวิสาขารให้เป็นแม่เลยถึงขนาด มีฉายาก็เรีว่ามีกรัมมานดาในกิริยาที่เศษรษฐีทํานี้ก็ตลกมากท่ผู้ฟังในเรื่องราวที่เขาเล่าก็คือเหมือนทำท่าเหมือนลูกไปดูดนมแม่แตจนกระทั่งยกย่องว่าเป็นแม่กันแล้วพอตัวเองมีลูกคือนางวิสาขาเนี่ยพอมีลูกก็เลยตั้งชื่อลูกให้เหมือนพ่อของสามีอาจะได้ไม่ถูกกรรมกราในที่นี้ยังมีตอนที่สมต่อท่ผู้ฟังสําหรับเรื่องของนางวิสาขาน่าสนใจทีเดียวในตอนสุดท้าย เพราะกใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วที่เรียนบอล